อันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็จะทําให้ได้ความสงบระงับซึ่งเรียกว่าอุปาสสะได้ความสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสทั้งหมดอันเรียกว่าปวิเวกได้นคธรมะคือการออกทั้งหมดออกกิเลสออกจากกิเลสด้กองทุกข์ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนี้จึงเป็นข้อสำคัญเหล่านี้เป็นความสุขอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองและทุกๆคนที่จะได้ความสุขอันแท้จริงนั้นก็จะต้อง มีส่วนได้ความสุขเหล่านี้แม้น้อยก็ตามคือว่าจะต้องได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติให้ออกได้ไม่ให้ติดขัดอยู่ในเครื่องผูกพันทั้งหลายปฏิบัติให้สงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสได้ ปฏิบัติให้สงบระ ง, งับโดยตรงก็คือสงบระ ง, งับโลภโรดหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะได้ปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้อย่างลงถึงในสัจจะที่เป็นความจริงอันกำจัดกิเลสและกองทุกได้น้อยหรือมากและเมื่อได้น้อย ก็ได้ความสุขอันแท้จริงน้อยได้มากก็ได้ความสุขอันแท้จริงมากและบรรดาสุขเหล่านี้อีกคาหนึ่งก็คือวิมุตติสุขความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อออกได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้ เมื่อสงัดได้ก็เป็นอันมาพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อสงบระงับได้ก็เป็นอันมาพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงก็เป็นทำให้ก็ทาให้พ้นได้เช่นเดียวกันคือทาให้พ้นได้จาก เรื่องติดขัดทั้งหลายจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลายให้พ้นได้จากความคลุกคลีทั้งหลายให้พ้นได้จากโลภโกรดหลงหรือราคะโทสะโมหะให้พ้นได้จากกิเลสและกองทุกน้อยหรือมาก ความพ้นเหล่านี้ก็คือวิมุตตและเมื่อพ้นได้เท่าใดก็เป็นสุขเท่านั้นดังนี้ก็เป็นวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธพาจิตตรัสแสดงไว้เองว่าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตต์วิชาก็คือรู้วิมุตต์ก็คือพ้น รวมกันเข้าก็คือรู้พ้นทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นทรงรู้ทุกๆอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมรณะคือใจซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งเสียงทั้งหลายซึ่งกลิ่นทั้งหลายซึ่งรสทั้งหลายซึ่งผลทพะทั้งหลายซึ่งเรื่องราวทั้งหลาย และทรงรู้ได้มากยิ่งกว่าสามม น, นุญชนทั่วไปเพราะทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันยืดยาวกว้างขวางแต่ว่ารู้เท่าใดก็พ้นเท่านั้นไม่เก็บเอามาเป็นพันธนาการผูกพันไม่ครุกคลี และไม่วุ่นวายและไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงทรงมีความรู้พ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงเมื่อเรียกเป็นสัพ์แสงก็เรียกว่าวิชาวิมุตติวิชาคือรู้วิมุตติคือพ้นพูดอย่างธรรมดาก็คือว่ารู้พ้น ไม่ใชรู้ติดไม่คิรู้ผูกพันเป็นต้นแต่เป็นรู้พ้นรู้มากที่สุดรู้อดีตไกลที่สุดรู้อนาคตไกลที่สุดรู้ปัจจุบันทั่วหมดแต่ว่าพ้นหมดไม่มีติดข้องไม่มีกังวลไม่มีที่จะพันธนาการในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น จึงได้ทรงพบกับความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเป็นวิมุตติสุขอาการของความสุขดังกล่าวมานี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสุญญาตาความว่างนั่นเองคือว่าว่างจากกิเลส ว่างจากกองทุกเพราะว่าออกได้เพราะว่าสงัดได้ไม่ครุกคลีเพราะว่าสงบระงับได้เพราะว่ารู้พ้นคือไม่รู้หลงไม่รู้ยึดทุกทุกอย่างจึงเป็นความว่างว่างกิเลส ว่างทุกทั้งหมดยกเอากายขึ้นมาว่าก็คือว่ากายว่างยกเอาวาจาขึ้นมาว่าก็คือวาจาว่างยกเอาใจจิตขึ้นมาว่าก็ว่าใจว่างจิตว่างกายวาจาจิตใจว่างว่างกิเลสในกองทุกทั้งหมดว่างด้วยความรู้พ้นไม่ใช่ว่างด้วยความไม่รู้ หรือความรู้หลงแต่ว่าว่างในความรู้พ้นดังนี้คือว่าใจว่างหรือจิตว่างหรือว่าความว่างอันเป็นตัวสุญญตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงทางให้บรรลุถึงความว่างดังกล่าวนี้ ตั้งตนแต่การปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีอยู่ด้วยบุคคลหรือว่าอยู่ด้วยรูปเสียงเป็นรสผลิตภัณเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือว่าที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอัน ความคลุกครีอยู่ในเรื่องราวหรือด้วยบุคคลดังกล่าวมา น, นี้ไม่ใช่หมายความว่าอยู่กับใครๆไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้แต่หมายความว่าความรู้จักที่จะปฏิบัติทำจิตใจให้รู้จักออกให้รู้จักสงัด ให้รู้จักจงรับให้รู้จักรู้ปล่อยรู้วางรู้พลนั่นเองเ <rewind. S 2> มื่อเป็นดังนี้แล้วแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในที่ไหนก็ตามตลอดจนถึงมาประชมุมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็มาอยู่ด้วยกัน จำนวนมากดังนี้ไม่เียกว่าครุกคลีเพราะว่าไม่ใช่เป็นการมาก่อกิเลสและก่อกองทุกข์อย่างใดๆทั้งสิ้นมาร่วมกันฟังมาร่วมกันปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะสงัดเพื่อที่จะสงบระงับเพื่อที่จะ รู้พ้นตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ไม่ใช่คลุกคลีแต่ที่เรียกว่าคลุกคลีในบุคคลด้วยหมูคม่คณะด้วยสิ่งทั้งหลายนั้นหมายความว่าคลุกคลีในทางสร้างกิเลสและกองทุกข์ให้บังเกิดขึ้นในทางต่างๆดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเว้นการครุกคลีดังกล่าวโดยที่ได้ทรงแสดงที้ให้เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นรูปอันหมายรวมถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลตภัถึงธรรมะคือเรื่องราวทั้งปวง ซึ่งประสบพบผ่านทางตาหูจะและมันนะคือใจยกเอารูปขึ้นมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีความยินดีติดอยู่รูปที่ยินดีติดอยู่เหล่านี้ซึ่งจะ ไม่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความปริเทวะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่ารูปทั้งปวงนั้น จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นฉะนั้นเมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ทั้นสิ่งที่ผูกพันนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปยึงต้องมีความทุกข์ต่างๆ จึงไม่พ้นทุกไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะครุกคลีผูกพันหัดปฏิบัติที่จะนำจิตใจออกไปได้สงัดได้สงบระงับได้และข้อสำคัญนั้นให้รู้จักทำใจให้รู้พ้นให้รู้ปล่อย ให้รู้วางได้ตามสมควรและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างดังที่กล่าวมานั่นอันเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขติดแท้จริงสุดแต่ทีจ่จะปฏิบัติได้เพียงไรพระบรมศาสดาเองก็ได้ทรงเข้าถึง สุญญตาคือความว่างนี้เพราะไม่ทรงใส่ประทัยถึงนิมิตอะไรอะไรอันหมายความว่าถึงจะทรงเห็นอะไรทรงได้ยินอะไรเป็นต้นซึ่งรูปซึ่งเสียงทั้งหลายเป็นต้นแต่ก็ไม่ผูกพันยึดถือทั้งหมด หรือว่ายึดถือบางส่วนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นก็พ้นไปพ้นไปพระองค์จึงอยู่กับสุญญาตาคือความว่างและเมื่อว่างกิเลสว่างยินดีว่างยินร้าย วางความยึดถือก็เป็นอันมาวางทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีใครมาเฝ้าก็ตามจะเป็นบริษัทคัติยะบริษัทพรามณะบริษัทแพทย์บริษัทสูตรบริษัทใครๆก็ตาม ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นข้อไหนบทไหนก็ตามจึงเป็นนิยานิกธรรมธรรมะที่นำออกทั้งหมดออกจากกิเลสออกจากกองทุกทั้งหมดไม่มีที่จะสั่งสอนนำเข้ามาสู่กิเลสสู่กองทุกเพราะว่า พระองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างเพราะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหมดตลอดเวลาเพราะทรงอยู่ด้วยความรูพ้นดังที่ตรัสแสดงนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนต่อไปว่าเมื่อต้องการจะเข้าถึงสุญญาตาคือความว่าง ดังนี้ก็ให้ปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในให้นั่งสงบอยู่ในภายในและในการปฏิบัติ ด, ดังนี้จะปฏิบัติทางสติปัฏฐาน ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทางนั้นเพราะเมื่อมาตั้งสติกําหนดในสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตในธรรมทุกข้อทุกบทย่อมเป็นการปฏิบัติที่ทําจิตให้ตั้งสงบอยู่ในภายในทางนั้นให้นั่งสงบอยู่ในภายในทางนั้น <c oughs> ให้มีอารมณ์ อันเอกคืออันเดียวผุดขึ้นทางนั้นคือให้ใจเป็นหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จะได้สุญญตาคือความว่างขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อใดสมาธิที่ดีขึ้นดีขึ้นก็จะได้ขึ้นไปจนถึงขั้นฌานโดยลาดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฝังสูตรและตั้งใจตางความสงบสืบต่อไป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 หรือว่าจิตว่างใจว่างจากกิเลสทั้งหลายได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าสมาธิเท่านั้นแต่แม้สมาธิในพุทธศาสนา ก็เป็นสมาธิเพื่อสุญญาตาคือความว่างดังกล่าวเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ว่างนิวรณ คือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นกลุ่มกลัดจิตใจจึงทำให้จิตใจฟุง้งซ่านไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายปรากฏเป็นความทุรนทุราย ไม่สงบก็ต้องอาศัยสมาธิทำจิตใจให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย ตามวิธีที่พระพุทธทรงสั่งสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้จิตจึงสงบสงัดจากกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นส่วนอารมณ์ และทั้งที่เป็นส่วนกิเลสสมถะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทุกข้อก็เป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวทั้งนี้ ก็ได้ทรงสั่งสอนให้ตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตนิมิตของสมาธิหรือว่าที่ซึ่งเป็นที่กำหนดหมาย แห่งสมาธิเป็นนิมิตที่กำหนดหมายในจิตใจความที่ทำจิตใจให้กำหนดหมายอยู่ในที่กำหนดหมายนั้น ก็ชื่อว่าทมสมาธิในพุทธศาสนาสมาธินิมิตในพุทธศาสนาดังกล่าวนั้นย่อมตรงกันข้ามกับกิเลสนิมิต ที่กำหนดหมายหรือความกำหนดหมายแห่งจิตซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสดังเช่นสุภนิมิตกำหนดหมายว่างดงาม ก็เป็นที่ตั้งของกามฉันคือกิเลสกองราคะกองกามหรือกองโลกปฏิฆนิมิตกำหนดหมาย แห่งความกระทบกระทั่งก็ก่อให้เกิดกิเลสกองโทสะและนอกจากนี้ก็เป็นโมหะนิมิตกำหนดหมายให้เกิดโมหะคือความหลงเหล่านี้ เป็นกิเลสสนิมิตซึ่งบุคคลสามัญทั่วไปก็ย่อมมีกิเลสสนิมิตนี้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตดังนี้เรียกว่า กิเลสวิหารวิหารคือที่อยู่ของกิเลสหรืออสุญญตาวิหารวิหารคือที่อยู่ของอสุญญตาความไม่ว่างเพราะว่าเต็มยั่วเยี่ยไปด้วยอารมณ์ และกิเลสทั้งหลายแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติในสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติในกรรมฐานที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ จะเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ก็ดีจะเป็นกรรมฐานที่ทรงสั่งสอนไว้โดยประการอื่นก็ดีดังที่พระอาจารย์ได้ประมวลไว้ว่ากรรมฐานสี่สิบประการเป็นต้นหรือว่า ที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้อีกเท่ากับธรรมขัน์กรรมฐานแปดมืนสี่พันก็ตามซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็ล้วนเป็นสุญญาตาวิหารคือที่อยู่ แห่งสุญญาตาคือความว่างทั้งนั้นก็คือว่างตั้งตน้นจากกามจากอากุศลละธรรมทั้งหลายเพราะว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งปวงนั้นล้วนให้ตั้งจิตกำหนด เป็นนิมิตคือที่กำหนดหมายของจิตเพื่อสุ ญ, ญาตาคือความว่างทางนั้นและโดยตรงก็กำหนดให้ตั้งเข้ามาในภายในให้จิตนั่งอยู่ในภายในให้ กำหนดอยู่ในสมาธินิมิตเพียงข้อเดียวเพียงอย่างเดียวดังที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ามีข้อเดียวประการเดียวผุดขึ้นปรากฏขึ้นนี่แหละคือสมาธินิมิตของพระพุทธเจ้า และแม้ว่าจะกำหนดไปในอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นภายนอกก็ได้เพราะอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นกำหนดในภายในเช่นกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก กำหนดอิริยาบทเดินยืนนั่งนอนกำหนดอาการผมขนในฝันหนังเป็นต้นกำหนดธาตุสี่เหล่านี้กำหนดภายในกายนี้ทางนั้น อีกอย่างหนึ่งกาหนดในภายนอกเจนกาหนดในกสิณกาหนดดินกาหนดนา้ากาหนดไฟกำหนดลมกาหนดสีต่างๆซึ่งเป็นทางกสิณในภายนอก เหล่านี้เรียกว่าภายนอกแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทั้งภายนอกทั้งภายในนั่น